ภาวานานางังพระฤทตาวาการเจริญภาวานาเป็นไงเดี๋ยวพูดจะงง่ายคํเพราะว่าคำว่าภาวนาคือทําให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าภาวานาทําให้เกิดให้มีขึ้นเป็นไงว่าเกิดแล้วมีขึ้นในทีน่นี้นะความเป็นจริงมันมีอยู่แล้วอย่างแล้วคิดพนะิจารณา ธาตุขันธ์อายตนะจะมีอยู่แล้วเทียนาเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาจะมีอยู่แล้วแต่ว่าทําให้เกิดไในมีซึ่งคือมันไม่ทันชัดมันไม่ชัดไม่ฟ้ากดชัดเจนขึ้นมาโดยตนเองฉะยังเรียกว่าวานนาขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นมาโดยตนเองเพราะว่านาไม่ได้เอามาจากที่อื่นข้างนาสิ่งที่มันมีอยู่แล้ว คืเพิจารณากำบนดญานาจริงจะมีไปแล้วถ้ามันแจ้งไปจากเข้ามาโดยตนเองชัดเจนโดยตนเอเบื่อหน่ายคายโดยตนเองแต่ก่อนมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่ขายมันไม่รู้แจ้งชัดเจนแลเพราะนานมันเบื่อมันหน่ายมันคายมันชัดเจนที่เรียกว่าภาวนานานกะเวตตะวันพิจารณ์ภาวนาการภาวนาไม่ใช่เป็นสิ่งบังคับ ไม่ใช่เป็นการบังคับให้มันเห็นให้มารู้หรือให้มันเป็นไม่ใช่บังคับให้จิตเกิดความรู้เช่นนั้นเห็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นแต่เป็นเรื่องทำใจให้สบายให้สงบปล่อยวางให้สมอเสมอแล้วก็เพ่งพิจารณาสิ่งที่ตนจะต้องพิจารณา คิดมึดว่าอยากจะให้มันมีอะไรเกิดขึ้นแต้ไมาให้เกิดขึ้นอยากรู้นั้นรู้นี้ไม่เอาดังเคยอธิบายฟังคำว่าใจสุดของสิ็นกลางัดใจเข้าถึงของนึ่นกลางใจแท้แม่ของกลาง คูพววานานเพราะวานายเนี่เมื่อท่านถึงผวางคือจิตเป็นกลางก็จะไม่รู้เรื่องของใจแจะเป็นกลางที่อธิบายฟันคืออธิบายเข้าใจคําว่าใจให้รู้เรื่องของใจจะเป็นของกลางทำยังไงใจมันจะปล่อยวางจะเป็นกลางมาได้ยังไงภ า, าวาน า, นาให้มันถึงตรงนั้นถ้าหายก็ไปบังคับเลื่อ ให้มันเกิดให้มันลุกใ้มันเป็นขึ้นไม่ใช่เรื่องภาวนายิงอยู่เตสี่ที่จะต้องควบคุมรักษาจิตไม่สงสาเนี่ ว, ว, ว่าควบคุมคําว่าควบคุมนั่นเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วไปใช้คําว่าควบคุมแต่เวลาพูดถึงเรื่องด้านภาวนาเวลาจะเป็นภาวนาไม่ใช่เรื่องควบคุม นี่ยัาษาสำพูดเราไปปิดภาษาสำพูดแล้วไปทำตามภาษาสองพูดมันเลยไม่ถูกัาวนาสติตามดูแลรักษาจิตว่าจิตมันอยู่หรือมันส่งออกไปจากนั้นจิตมันอยู่ในขอบเขตนั้นเลยวันส่งออกไปจากนั้นก็ให้รู้ให้ทันแล้วเลยเรียกว่า ควบคุมหรือสติรักษะไม่ให้ใจส่งถ้าควบคุมมันเป็นเรื่องบีบบังคับเวลาจิตที่มันจะเข้าถึงของกลางไม่ใช่เรื่องบีบบังคับเรื่องต้นมีอากลางท้าจะบีบบังคับแต่เวลาที่จิตจะเข้าถึงของกลางไม่ใช่เรื่องบีบบังคับแล้วมันวางการบังคบับมันคับว่ามันเป็นนั่นเะป็นนี้เล คุมให้เป็นอะไรมันวางถ้ายังไม่ชันวางกันอย่างไรท่ันเข้าถึงภาวนาถ้าไม่เข้าถึงใจเป็นกลางนิดเดียวเนี่ยที่ผพูดคําพูดในที่เราติดสมตญญตสมติปัญญาแล้วาาก็ทําตามสมมติปัญญาไม่น่าพ้อนานี่ยทิ้งสมมติปัญญาเลนะมันยังค่อยไปเป็นกลางคำว่ารักษาคำว่าควบคุมไม่มีเลยทีนี้เนี่เรื่อง ภ า, าวนามันยากตรงนี้ย่ที่ว่ายากเนี่ยที่เราถอนทิ้งสมมุติมันยากในใดยิ่ ง, งไปดูตำรับตำรามากมายแถงยิ่งอธิบายพัวข่วงพิสดารลงไปพูดกันโดยเฉพาะในพูดใ น, นตรงที่มันเป็นเองแกนนี้เราพูดเป็นเรื่องคําพูดตรงที่มันจะเป็นภาวนาเนี่ยคือสติมันก็วาง สมาธิยืงเหลือแต่สมาธิคือความนิ่งแน่ยอยู่อันเดียวเคยพูดหมืันกันสติสมาธิปัญญาสมดุลกันเมื่อใดมันหวังเลยนะสติคือการควบคุมอย่างที่ว่ามันยาสมาธิคือแน่วแน่เกินไปจนไม่รู้หนารู้หลังมันเลยกลายเป็นฉาด ลืมหายแยบไปซะนสมาธิมากเกินไปปัญญามันมากเกินไปคือคนก็คิดอยากจะให้มันเห็นมันเป็นมันรู้หรือว่าอยากจะให้เกิดความฉล า, าดเฉียบแหลมรู้เรื่องในเรื่องของใจอยากให้มันรู้เรื่องของใจหรืออยากให้รู้เรื่องของกิเลสคล้ายกันกระเบอ รู้หมดแล้วจึงจะภาวนาหรือรู้หมดแล้วจึงจะวางมันไปทำนองนั้นฉะนั้นปัญญานี่ก็หยุดหดลงมาสมาธิก็อย่ามันลึกเกินไปสติต่อปล่อยวางเข้ารวมไปพอดีพวงงามนั่นี้ตรงนั้นแหละ แต่งไม่ถูกแล้วแต่งบนตนคือมีสติควบคุมหนังที่วายมานี้อันนี้ี่ิบายย้อนออกมาสมาธิกับเพ่งที่นารนาในเรื่องเดียวปัญญาจะต้องสอดส่องรู้เรื่องที่จิตมันสงสัมีการกระทำกิริยาที่กระทำกระทำให้เกิดสมาธิให้เกิดภาวนา เรียว่ากะทำให้เกิดภาวนาเมลาวภาวนามันเรื่องทั้งสามอย่างนี้มันพอดีพอมดุลกันมั น, มนเผาขึ้นมาเองนะธรรมะความรู้แจ้งชัดเจนจิตเท่ยังนีไม่เคยเปล่นเ่นนเนี่ยว่าจะเห็นคือรู้ชนนะมันเผขึ้นมาเองมีธรรมะภาวนาเรียกว่าอยา ให้มันเกินให้รู้ตัวของเราถ้าหากเราไปแพ่งอยากจะให้มันเห็นมันดูนั่นเองไปแพ่งตรงไหนเจ็บปวดตรงนั้นหรือเน็บเหนื่อยตรงนั้นก็เขาแพ่งฌานแพ่งกรสินย่างเองบางท่านบางองค์ไปช่วยคนป่วยคนเจ็บ แ่งพิจารณาเสยจนเห็นเหมือนกันทำให้หายได้เหมือนกันเจเวลนหายกันในที่หนอเองโดงมีเพ่งเกินไปทำเทวทีอันเกินไปเลิกเกิดปทีสิิ์เลิกเกิดอภินิหารเป็นของสักดิ์สิ์ขึ้นมาใช้ได้แต่ต้องอาศัยความสมดุลกันแต่ไม่ใช่เรื่องละกิเลส ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทำความสะอาดของใจสะอาจได้เพียงแค่นั้นคือไม่ทด้ส่งไปสู่อารมณ์ภายในให้แพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่อารมณ์มน่าจะไม่ใช่อารมณ์ที่อยู่ในตัวของเราเป็นอารมณ์ที่แพ่งคนอื่นนอกจากตัวของเรามีแพ่งที่ท่านเรียกว่าฌาน แกสนหรับชานที่ท่านหัดในทางที่ถูกก็จริงๆเงี้ยจังอันนี้มันชัดจะออกไปไปไปจังหน่อยแต่ที่ชานที่ท่านหัดของท่านมีกี่เงี้จังนั้นท่านแพ้งกระสินโดยที่ไม่ได้ดินน้ำไฟลมโดยที่ไม่ได้ไดได บ, บังคับปล่อยวางคนดีพอ ง, งามสบายสบายไม่ได้นิดเหนื่อยเลยเมื่อได้ที่แล้วนั้น จะน้อมไปในสิ่งที่ตนต้องการระฝาดมาเมื่อเพ่งลงไปจิตมันแน่วจนกระทั่งจะเพ่งดินหน้าไฟลงมาในกระดาษเช่งต้องการเพ่งอยากจะให้เกิดความอบอุ่นขึ้นเพ่งพิจารณาคมร้อนจนเห็นชัดบางทีก็เกิดปฏิภาพเป็นไฟลุกโรงขึ้นจริงจัง อันที่กระทำให้อบอุ่นขึ้นอันที่เพ่งความร้อนในใจว่าเป็นของร้อนของร้อนเมื่อมันชัดในใจอย่างนั้นแล้ยังคอยน้อมไปจะไปให้อบอุอ่นกับคนอื่นอะไรต่างๆเรื่องจะให้สิ่งเดียว อ, อุ่นยังเคยน้อมไปไม่ได้นเน็ดเหนื่อยแบบนะหลักของท่านเพ่งในชา้าแล้ว ท, ท, ท, ท่านท่านทําอย่างนั้น อย่างนั้นไม่ได้ผิดรูปทางไม่ได้ส่งออกายนอกคือทำใจให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวของในภายในของตัวของท่านถ้าให้ง อ, อภายนอกเหนื่อยถึงว่ามันเป็นแค่จะออกเคลย์ไปนอกทางได้ไหมตัวสติคล้ายๆก็อธิบายด้วยกันทั้งหมด นรพูดกันละเส่วนมากเราควบคุมสติคุมจิตหแน่วอยู่ทาน่ายเดียวไห่สงสายไปไหนล่ะถ้าเพียงแต่ใช้สติกล้าแขงขนาดนั้นอ่ะทำให้เหนื่อยเหมือนกันยังไงฉันเรียกว่าสติสมบูรณ์ถ้าหากว่าเรามีสติ ภูมจิตเร า, าอยู่เช่นนั้นน่ะแต่ไม่เป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องกดบีบขับมันพอดีสตีอนพอดีกับสมาธิพอได้สัดได้ส่วนกันมันก็สบายสบายอยู่ดีๆไม่ได้เหน็ดนี่สตีกับสมาธิจะเป็นอันเดียวกันอยู่ดีกัน จะยืนจะนินนั่งนอนไปมาที่ไหนมันจะสบายทัง้งกายทําอะไรก็ตามัจะวาจาจะพูดอะไรก็ฉับแต่สติกับสมาธิต่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันอยู่อีกส่วนนึ่งขงัตนานั่นสติกับสมาธิเข้ากันที่แรกถ้าหาแล้วสติกลา้าต้องเพ่ง ในต้องควบคุมจนเหน็ดจนเหนื่อยนั่นจิตันวันสันติภาวนาถ้าเป็นภาวนาแล้วต้องอยู่ันเดียวกันปัญญาที่ใช่มากปรุงสารอะไรก็ไปตามรู้ตามเห็นว่าไม่อยู่ที่ส่งไปเห็นโน่นเห็นหนี่รู้โน่นรนีอนอนอ่อะไรต่างตุง้งแต่งเป็นตุก น่า ก, กไ็ไม่สบเหมือนกันยางว่าท่านเป็นภาวนาจิาตปัญญากล้าไปหรืนสุงชาติไม่มีหลักไม่มีจุดถ้าหากว่าปัญญานั่นแหละส่งสายและประสบการอันใดหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ใจสลดหดหู่ เรียบเหมือนกันกันกนว่าหดไก่ถูกไฟก็หดกลับึ้นมายังสงสายไปเห็นไปรูปไปเห็นแล้วไปเห็นสภาพที่เป็นอดีตที่เราเคยผ่านมาแล้วประกานนิสิดปรุงแต่งไปอนาคตเห็นว่าตนจะต้องดับต้องเสื่อมสูนเห็นว่าตนจะต้องสภาพจากของนับของใจ หรือสิงที่ล่วงเลยมาแล้วเห็นคนนั้นตายคนนี้ตายถ้าพลาดจากของรักของชอบใจแล้วมันมีสาระนั่นเองมันปัญญาและสงมัยเลยมันกับสัญญาเลยของปัญญากับสัญญาหลวงพ่อเมืม่อไปเห็นเช่นนั้นข่ะละมันหดแต่ทางมันไม่ส่งไปแล้วมันสลดสังเวชตัวของเราเองซึ่งตัวของเรานอนเฝ้าวความแก่เจ็บตาย ต, ตัวงเราจะต้องเหมือนกันกับตรวงเราเป็นั้ น, น, นที่เราเห็นมาแล้วนะเหมือนอนกันหดเข้ามาหยุดอยู่เลยนั่นเป็นภาวนาเอาถ้าสามอย่างนี้แหละเราสติสมาธิปัญญาถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่ง เรื่องสติก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีมันพอดีพองามมันหดกลง ม, มันไม่อยู่อันเดียวแล้วมันทั้งสามเลยไม่อยู่ในที่เดียวลักษณะเช่นนั้นที่ท่านแสดงว่ามันรวมชิดสมาธิปัญญารวมที่เรียก ว, ว่าสมาัครีเละมาขะรมั่งคีชินสมาธิปัญญาไม่อยู่ในที่เดียว ตรงนั้นแหละคำที่ว่าสิ้นสงสัยในคุณพระพุทธธรรมทุสุสงสัยในอดีตนะนะคดมดเรื่องแต่อดีตเราจะดีหรือไม่ดีเนาะหรือเราจะชั่วหรือดีอะไรต่างๆเนะอนาคตเราจะเป็นดีหรือไม่ดีเนาอะไรต่างๆเราจะทําอะไรต่ออะรเนไม่มีลงในปัจจุบัน ในปัจจุบันการรู้สึกว่าเป็นปัจจุบันจับมันไปอีกส่วนหนึ่งต่างหาคือมันล่าอดีตอนาคตแล้วปัจจุบันก็เลยมาตรากดในขณะนั้นแต่นันเป็นเรื่องหนึ่งของมานต่างมีเรื่องการขภาวนามันยังค่อยเป็นทำอย่างนี้ยังค่อยถูกเวลาถูกมันที่อธิบายฟังนี่นหละ ถ้ายังไม่ไถูกมันก็นยังไม่ชัดถ้าถูกแล้วโอ้ที่ท่านอธิบายไปเงชัดกันมาโดัวงถึงยังไงก็ตามเถอะจะเป็นไม่เป็นหรือจะถึงนั่นหรือไม่ถึงนั่นก็ตามแต่ให้เข้าใจจะภาว น, นาไม่ใช่สิ่งที่จะต้องบังคับให้เกิดให้มีขึ้น แต่เมื่อมันได้สัตว์ดส่วนมันเกิดมีขึ้นมาเองจนถึงภาวนาเบื้องต้นเรารักษาเราใช้สติควบคุมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวมีจาเป็นอยู่แล้วแต่เวลามันได้สัตว์ดส่วนเกิดภาวนาขึ้นมาไม่มีการบอกอย่างเราจะพิจารณาเบื้องต้น เช่นอาการทั้งหลายในอวั ย, ยาวะของเราเรีอาการสามยุทสองกรณีหรือเทียบเป็นธาตุหรือขันขอะไรก็ตามที่พิจารณาเรายิบประแน่หนึ่งขึ้นมาตั้งไว้แล้เอาสติจะกุไปแพงพิจารณาตรงนั้นย่าไปบีบบังคับแต่ว่าเพ่งพิจารณาอยู่ในที่เคลื่อนเห็นจิตที่มัาไปติดอยู่ตรงนั้นหรือมันออกจากตรงนั้น ติไปแท่งเงี่ยคิจะนายะเ้ยเห็บหะอสติไปจดจ้องอย่างเดียวเราเห็นนะมันอยู่หรือไม่อยู่ไม่อยู่ตรงนั้นไม่หนีอย่างเงี้ยเ็นรู้เลยที่เราเรียนที่เราศึกษามาที่เราเข้าใจว่าธาตุสี่มีขนขนกระโหลกขนผมเล็บขนผมขนเล็บันหงงเอกระดูกนี่เรียกว่าธาตุสี่ ถ้าสี่ที่เราเห็นว่าตามบัญญตัติสมมติเห็นว่าเป็นอาการลักษณะอย่างนั้นแล้วเพ่งพิจารณาตามอย่างเดียวขอดีเมื่อมันติอยู่ในจุดเดียวมาเข้าในที่เดียวแล้วอยู่ในที่เดียวเลยดินหนึ่งบางทีมันจะเกิดภาพเป็นก้อนขึ้นมาเป็นก้อนหนึ่ง หรือไม่ชนันมันก็จะปรากฏเป็นวัตถุอันหนึ่งไม่ใช่บาดีไม่ใช่เรียกว่าดาีเป็นวัตถุอันหนึ่งไม่ทราบอะไรทั้งที่ถึงตรง น, นั้นมันไม่มีบัญญตัติมันเป็นสภาวะอันหนึ่งมันนั่นเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่ในธรรมะข้าาวต้งตรง น, นั้น น้ำไฟลมอะไรเช่นเดียวกันฐานที่ตั้งที่จะให้เกิดภาวนาจะให้หนีจากตัวของเราจะเห็นเป็นท่าตามเห็นเป็นขันธ์อายุระจัิคนเรามาสมยึดสมมติบัญญตัติไม่เข้าตามตัจจั ก, จกไม่เข้าตามตัจจักควมเป็นจริง มันเจียงปล่อยวางขันไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนในพิจารณาเห็นเป็นธาตุเปธาตุดินดินมันเป็นของใครมันเกิดมีตั้งอยู่ครับดินใครจะขุดจะคุ้ยใครจะบว้วนนำบุกนำลายของเจ้ก็ปลกเทงไปมันก็เชื่อ ท้าเยาพิจารณเห็นจนะินตีนก้อนดิ้นนั้นเนี่ยแค่ทำได้เพียงแค่นันะ้นเพราะว่าถือว่ามันถูกเราเถอะคำว่าเราเนั่ยเขาทุบเขาตีแล้วแล้วเขาด่าดูถูกห ย, ยาดย า, านั่นคนำะว่าเราเถอะนั่เกดมานาทีิทีกิเลสปุ่มมันพระเยาวสอนให้เห็นเป็นท่าไม่เห็นเป็นท่ามันสบา แต่คนเข้าใจว่าที่มันปุ้งเพื่อคืออะไรมันโต้ตอบคนอื่นเข้าใจเป็นของดีของดีอืเพราะคําว่าถือว่าเราเท่านัะเราคําว่าถือถือเราเท่านั้นหรือคือเราเป็นดีหะืออะไรเงี้ยก็เลยทุกสิ่งทักอย่างว่าเราดีเลยดีเด่นเด่นมเป็นเรื่องี่เศษนะ อ, อย่านั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาเห็นเป็นธาตมันจะได้แทรับความสุขสงบมันสบายตัวเลย หาตุสี่ดินน้ำกันเหมือนกันอย่างแม้วโขงไดิเรื่น้ำอยู่ในสาสตร่บอกแล้วก่ดิ้าแม้วโขงอะไรเอ่ยใครจะตะโกนร้องว่ามันก็เฉยเฉยใครจะมาต้มมันก็เฉยเฉยครจะ่าซักฟหน้าของเจกระโปรมันก็เฉยเฉยมันไม่เคยจะบ่นแลวเคยจะอทรนร้องคออะไรกันกระจาทั้งหมด เัินนะ่าไฟกับเหมือนกันสิ่งที่ร้อนนั้นไฟที่แปลกด้็นแสงเผาไม้ที่ยาลหลือต้นไม้ผู้เผาป่าดงอะไรนะไฟส่วนนั้นไฟส่วนที่ว่าเนี่ว่าทั้งเรื่องคือความอบอุชิ่งที่าอุ่นเรียกว่าถาไฟพรามอบุญนั้มีตรนมีตัว นั้นกือลมไม่ปรากฏ ค, คามอุอออนยที่ใดเรียกว่าไฟจริงความเย็นด้วการพัดปัน่นป่วนไปมาในที่ใดเรียกว่าลมในที่นั้นไม่มีตัวไม่มีตัวต้องคิดดูสิ่งนั้นไม่มีตัวมันอยู่ได้ยังไงลมมันก็ไม่พ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติในที่นอไม่สามันเกิดมาอย่างไรเราพิจารณาดู ใหพิจารณาเพียงเท่านี้แหละให้พิจารณาหาของจิตตาเป็นจริงมันทําไมมันยังมีลมลมมันมตรงไหนมันเกิดมาจากอะไรตรงที่มันที่มันหายใจเขอาจะออก น, นี่อีกเรื่องอย่างหนึงเอางี้ก็จะค้นพวดูก็ะไรเน้นรักวิชาการแพทย์ทำไมทราบว่เาเขาเรียนกันนไงจะมาทำไม แต่ลงพุทธศาสนาลมจะเกิดเกิดจากสว่างคือเพรกระพองลมคือในตัวของเราใ น, น, นาร่างกายเรามันมีกระพองมันมีฟองลมภาษาธรรมะท่านได้อกสวา่างเพราะมองบางกระบางลมก็มีอะไรอันนั้นแหละเคลื่อนไหวใช่ไหมล่ะลมหายใจยังจะเกิดขึ้น มันเป็นต้นเหตุในหะ้เคลื่อนไหวเราจะเห็นได้สัตว์บางอย่างก็ที่เขาครวนะเขาครวญอย่างที่เขาแหวกออกมาแล้วนะ่ะเป็นไก่หรือเป็นสัตอะไรก็ต่างๆกระบังลมมันยังมีอยู่ภายในจิตวิญญาณ น, นั่นนี่แหละถ้ายังมีความอบอุ่นอันนั้นแหละจะต้องเคลื่อนไหวบอกนั่นแหละเป็นเหตุนะครับให้มีลมเกิดขึ้น พวามลมมีไฟก็มีเ้วยกันถ้าหายหมดคอาอบอุ่นไปแล้วอันนั้นก็ไม่เกิดอันนั้นก็ไม่เคลื่อนไหพคามลมกับไฟอยู่เ้วยกันถ้าไฟมีลมก็ต้องเกิดถ้าไม่มีไฟลมก็ไม่เกิดหรือว่าลมไม่มีไฟก็ตั้งอยู่ไม่ได้ลมกับไฟกั็นของมีมตัว ถ้าพิจารณาลงให้ถีบทั่วลงไปแล้วแอ่เพ่งพิจารณาตรงนั้นน่ะตัวเราที่อยู่ได้เคลื่อนไหวนี่คือมลมกับไฟน่ำกับดินนั่นเป็นประฐานแสดงให้เห็นชัดปรากฏภายนอกเห็นใน้ด้วยตาแต่ลมกับไฟเห็นในด้อดใจถ้าลมกับไฟไม่มีกายนี่จะ เย็นเหวี่ยงเหวงคลองอืดขึ้นมาเลยและตัวนี่แหละตัวลมไปตัวดินกับน้ําเนี่ยเป็นที่อาศัยคลองลมกับไฟไฟนั่นหล่อเลี้ยงดินกับน้ํนาน้ําดินกับน้ําเป็นที่อาศัยของลมกับไฟให้พิจารณาไม่อะไรมากมายเลยพิจารณาตรงนี้แหละกำหนดตรงนี้แ ตัวตนคนเราไม่จางหายไปไหนไม่มีนคนถ้าหายว่าไม่มีตัวตนคนเราหายไปสมัยตรงยังเหลือแตใจใจไม่เห็นตรงนั้นนี่มันอีกคนนึงต่างหากถ้าใจมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวพิจารณาอย่างนี้ละหายหมดยังเหลือแต่คงผู้รู้ รู้ว่าเราหาไม่มีอะไรรู้ว่าเราสงบรู้ว่าเรายินเราสบายเนี่ยมันไม่ใช่ของยากอะไรเลยแค่พิจารณาถูกของง่ายพอหนาถ้าพิจารณาไม่ถูกเลยยากแค่ไหนก็ได้นี่อะไรแต่รู้ยเป็นเรื่องยุ่งยากยากถ้าเราพิจารณาถูกอย่างนี้ไม่ใช่ของยากเนี่ยนีน่เราไปติด ของตืดตื้นตัวเปลือกมุงนอกอยากเห็นอยากเต็ม อ, อยากรู้สมาธิาเงื่อนภาวนาอย่างนี้ชา้านี่เงือนสัญญาอย่างนี้อะไรต่างๆถาติดตีจะเพียงแค่ไหนแต่่าให้ภาวนาคือให้มันถึงสภาพความเปินจริงของจิตคืออดีตหน้าไปรม อ, อย่างที่ว่าเป็นเป็นของจริงแต่เราไม่เห็นจริงเราไปเห็นแต่เพียงแค่สมมติเหมือนเงสภาพเดิมแท้ๆไม่ใช่สมมติบหมือนเอ ที่ว่าดินน้าไฟลงก็ไม่ถูกเหมือนกันที่ว่าดินน้าไฟลงมันไม่มีในที่นั้มีชื่อแต่เรามาบัญญัติขึ้นขอให้เข้าใจความหมายถ้าหาไม่บรญญัติขึ้นก็มีเรื่องที่จะพูดกับคนอื่นเข้าใจรู้ได้ถ้าคนไดเห็นเนืตนใครไดเห็นเนืตนเองนะบรญยัญญติมันหาให้ตัวเไม่ต่างหายกใจ นั่นอยเหลือแต่สิ่งหนึ่งของมันต่างหานั่นเดียวของจริงที่นายเห็นของจริงตามเป็นจริงคิดแร้ว่าไม่เห็นตามในจริงก็เคยพิจารณาใช่วรรยัตเมื่อดินน้ำไฟลมอย่างที่อธิบัติมานลยไม่เห็นตามเป็นจริ ง, ญญนนร ง, ง, รงก็ต้องใช้สมุดบรรยั ต, ญญติเมื่อไปถึงตรง น, นั้นแล้วเห็นจริงตามเป็นจริงนะคะรับได้แล้วมีสมุดบรรยัติ เนียเรียบร้อยหนัเอาล่ะปฏิบัติจะได้หมอเรียนดีทุกสิ่งเรียนเยอะแม่ไม่เห็นจะทุกสิ่งทุกอย่างเจม่จีนจะเพียงเนินมันเลยหลักกลักของจริงไปเลเห็นทุกสิ่งทุกชิ้นทุกส่วนเลยว่าตนเห็นของจริงมันไม่เห็นเห็นของจริงแต่มันเป็นตามจริงไม่เป็นตามตีจริง ข้องจริงอยู่คือจริงสมุดอันนั่นเอ็นอันนั่นเนื้ออันนั่นกระดูกอะไรอะไนั้นก็จริงสมุดเาว่ามันจ็ไเห็ น, นข้อจริงแต่ไม่เป็นตามจริงตามตัวเป็นจริงนนจริงข้อมันเมื่อไรนั่นแหละเข้าถึงภาวนาแล้ว อันนี้แปลว่าภาวนานั่นนี่การหมดบัญญัติเลยกี่จาเปียนมีว่ามีปัญหาถามกันแล้วว่าพิจารณาทไมยังต้องพิจารณาอย่นันอจะเห็นของจริงการจริงเห็นว่าประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์คือะับความเดือดร้อนจทุกข์ต้องการความสุขคนเราทุกคนเกิดมาต้องการความสุข แต่มันไม่สุขสักทีเพราะไม่ไม่เข้าถึงของจริงตามเป็นจิตหลายในที่เราจะจับตัวกลางย่างว่าเราคิดอดีตนั่นเรียกว่าไม่ใช่กลางคิดอนาคตก็ไม่ใช่กลางอยากคิดอดีตอนาคตจะส่งไปตามอาดีตอนาคตถ้ามันชฉยเฉยเ นี่แหะคนหาตัวกลางนั่เราไม่ยินดียินร้ายแหะยินดีก็ไม่เอายินร้ายก็ไม่เอามาทางกลางไม่เกิดยินดียินร้ายหรือสมมติว่ายินดีอยู่ข้างข้างขวายินร้ายทางซ้ายเราพวาดภาพขึ้นมาที่ใจงเรน่ะแล้วเราไม่ให้ยินดียินร้ายแล้วไม่เอาทั้งยินดียินร้ายแล้เอาตัวกลาง อันนี้คือค้นหาตัวกลางได้เหมือนกันอของสมมว่ามาให็นกันอยู่ไหนนะยินหลายวิธีที่จะค้นหาแล้นี่ต้องการตรัวกลางยี่ว่ายังไม่ทันรู้ตัวกลางคือมีลักษณะอากาศยังไงยังเคยที่บายฟังว่าร่างลมหายใจหายใจเข้ า, หาให้ได้ออกไม่เอาไม่ต้องหายใจออกหรือหายเข้าเฮ้ยเฉยร่าง มันเป็นตัวกลางกันจับตัวกลางเพราะเราจะจตัวกลางได้แล้วลพันนี้ที่เราว่าจะให้จิตเป็นสมาธิเร้จะบอกไม่ต้องกูมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังมันไม่อดีตไม่คดตมันไม่รากไม่ช้างไม่ไม่ชอบไม่เกิดไม่โกดะมันเชืกเฉยตป็กลางมันก็เลยเป็นสมาธิในตัวอันนี้ว่าสมาธิตัวกลางนั่นแหละเราจะเห็นมันชักขึ้นอะไรเกิดจะเกิดตรงนั้น อันนี้เห็นเห็นที่เกิดของสิ่งนามกางความรู้วันที่เกิดจากสิ่งนามกางคือัวปัญญานึกสติทานสอน ล, ลึกถึงพุทธาสติร ะ, ะลึกถึงขุปถเจ้าธรมานุกสติระลึกถึงปุญญาธรรมทัทงขาสติระลึกถึงปุพญาธรรมที่ราสติแจกขาสติ นห็ว่าใจเราสติเหมือนกันเราใจไปเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเระลึกถึงคุณเพื่อธรรมคือเหมือนกันไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวได้หรอกการทำของที่เป็นนามมันสิงอยู่ในตัวของเรานี่รา ล, ลึกว่านามธรรมที่มีในตัวของเรา ความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลควางคิดที่เป็นอูบายในแง่ขายนะั้นที่เป็นเหตุให้จิตมันรวมนั่นแหละเป็นคุณธรรมดีถ้าสงฆ์เขมื่อนกันบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นพระสงฆ์แท้ถ้าสงที่แท้จริงคือผูู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การปฏิบัติอนั้นถูกต้องจึงเรียกพระสงฆ์อนุสติท่านพูดถึงเรื่องอนุสตินี้สิอยา่างกูปายสำหรับภาวนาไม่ใช่แต่สิบอย่างเท่านั้นยังมากข้าไปกว่า น, นั้นอีกอาสุภะสิบ อนุสติสิบอาจะพาดจิตอาหารปติกูล 4, 4, กสี่มิยหานสี่เกสินสิบล้วนแล้วแต่เป็นอุบายให้จิตรวมท้งนั้นค้นหากว่าเราทางจิตแน่วแน่อันเดียวลงไปอันเดียวแล้วเป็นอนุสติได้เหมือนกัน อย่าไปว่าแต่สี่สิบเลยที่ท่านพนันานาไว้สี่สิบอย่างนั้นเพียงจ่นย่อหรอกของในโลกนี้ทั้งหมดถ้าหากเราพิจารณาเป็นธรรมนะเป็นอนุสติได้ทั้งนั้นอย่าไปพูดว่ากรรมฐานทำยังไงมันจะได้สำเร็จทำาังไงจึงไง้พระโขนีพผ่าน ทำยังไงเจให้รุ้ร่วงได้ธรรมทานอะไรจึงจะเป็นอุบายให้ถึงมรรคผลนิพพานอย่างคนมาถามอย่างนี้โอ้โหมันยังไกลนักไกลห น, นาพิจารณารอบครอบรอบด้านนวนไล้สมทานทั้งนั้นแต่พิจารณาให้มันถูกมันถูกคือว่ามันแน่วแน่ลงไป เป็นอารมณ์อันเดียวแล้วแต่เกี่ยวกับกรรมฐานด้วยทังนั้นทานในแนวแน่ยังมันเป็นกรรมฐานก่อนที่ส่งสายไปภายนอกให้ตั้งมันในทีเดียวเอาสติไปควบคุมไว้ในสิ่งที่เราประสงค์ต้องการให้เป็นกรรมฐานก็ เ, เป็นได้ทั้งหมดนั่นสิ ถ้าสติไปคุบไปตรงไหนละสิ่งนั้นต้องแน่วแน่ลงไปเต็มที่ต้องแน่วแน่ไปเป็นธรรมดาอันที่มันเผลอมันเผลอมันหลงลืมไปคิดว่าสนุกนานเพลิดเพลินไปตามเรื่องเพราะนั้นอันไม่มีสติสติจะจะคุมจิตเป็นวจะสติคุมจิตตัวเดียวใช่ไหม การหัดภาวาทตรงนี้ไม่นอกเหนือจากสติคุมจิตแะ้รฝึกหัดตรงนี้แหละฝึกหัดสมฐานให้จิตเป็นสมาธิกับฝึกหัดตรงนี้แหละให้มันทำนี่ทำนานตองแถวอานเดียวนี่แหละตัวสติฉะนั้นศาสนาใดๆก็ต่างถึกหรือคนในโลกนี้ทั้งมดก็ช่างสก ใครจะไม่กล่าวเรื่องสติเป็นไม่มีทำข้าสญญาวติดใจกล่าวเรื่องสติอันเดียวความไป็นผู้มี ส, ญญาาสติคือไม่ประมาทได้ชื่อเ ป, ญญาาเป็นผู้ไม่ตายคนเปนผู้ไม่มีญญาาสตินั้นคือคนประมาทได้ชื่อว่าตายแล้วตายจากคุณธรรมนั่นเองเห็นไหมนะนะ ให้ตั้งสติตัวเดียวเท่านี้แหละไม่ต้องเอาอื่นไปมันหากจะถูกหมดถูกหมดทุกอย่างเลยเอาทำวิธีนั่งภาวนาล๊อนั่งขาขวาทับ<ม>ขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรง แล้วกำหนดจิตลงที่ตายของเราเนี่แหละอย่าไปกำหนดส่งไปในที่อื่นกำหนดตรงที่นี่เราภาวานาน น, าานึกอานาพาโนจิติที่ลมหายใจเข้าออกไว้ที่ตรงจิตที่ว่าจิตจิตในที่นี้หมายความถึงความคิดความนึกไว้ตรงนั้นนะ่ะ ให้มันนึกมันคิดอยู่แต่อาณฟ้านิติอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดเึ่องอะไรที่อื่นนึกอยู่แต่อาณาปานะันาาน่นแหะเมื่ออาณาปานิตย์นั่นแะเมื่อนึกอยู่อย่างนั้นจิตมันจะรวมอยู่ในที่นั้นไม่ไฟที่อื่นการที่จิตรวมในที่เดียวนะนะเรียกว่าชืศอจกาจิต จิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวมีอันหนึ่งอันเดียวอยู่เฉพาะอันเดียวฉะนั้นเอเสกตาจิตไม่คิดส่งไปหาที่อื่นถ้าหามันส่งไปมันก็ไม่ใช่มันจะได้ทีเดียวมันต้องทําแล้วๆแล้วแล้วมันส่งก็ดึงมาให้กลับมาสู่ในที่เดียวนั่นแหละถ้าอยู่นั้นเนี่ยนานนะเขา ส่งไปดึงเข้ามากลับมาอยู่นะส่งไปดึงกลับมาที่นานนะเข้ามาจจะหาจะเชื่องจิตคอยเครื่องเขาเสื่องเขาเยน็นลงเยน็นลงสงบลงไปมันคอย อ, อยู่ในโอวัสขอ ง, งเราะครับคั้นเมื่อว่าจิตนิ่งอยู่ในที่เดียวแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งมันจะรวมเข้าไเป็นใจครัน ใจนั้นคือของกลางกลางไม่คิดไม่นึกแต่หากรู้สึกในตัวไม่รู้สึกมันอยู่ในนั้ น, นรู้เฉพาะมันเองอั น, นั้นจิตตัวใจที่ยิงจิตกับใจกันเดียวเนี่ยสมมติพูดให้เข้าใจเฉยๆนี่แห้ะพูดถึงเรื่องจิตแล้วก็พูดถึงเรื่องใจเดียวกันทั่วทุกแห่งที่ท่านอธิบายเลยเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่ในที่นี้นั้นพูดใจเป็นอันหนึ่งคืออันเดียว สงสัยจิตเนี่แกระแงต่างอยู่จักรันเดียวนิ่งเ่ยจะรู้สึกตัวมันเองอันนั้นเรียกว่าใจในที่นั้นมันต้องรวมไปจากจิตก่อนจิต ร, รวมเข้าเป็นหนึ่งกาเป็นเอสตาจิตมันอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อรวมเป็นอารมันเดียวแล้วมันจะรวมเข้าไปอีกชนิดเข้าไปเป็นเอสตาจิต เอเอสก ต, สตาลมไอเอสกตาลมมัคือคจิตรวมเข้ามามันวางมดเอสกตาลมคืออารมณ์มันเดียวแล้วมันจะรวมกับเจเอสกตาจิตอีกทีนึงเอสกตาจินี่คืออริย น, นามาที่ท่านกูดพูดใสมากมื่อกจะยืดยาวไปมันต่อดังขอให้ตั้งสติท่นเดียวแค่นี้แหละ การฝึกหัดสมาธิภาวนาคือสติทันเดียวไม่มีอะไรหรอให้รู้ตัวอยู่เสมอเรื่อเสมอ ม, มันคิดมันนึกอะไรจะรู้ตัวอยู่เสมอยิ่งรู้ตัวชัดแจ้งก็มันนิ่ง<ม>เป็นเอเสตาอรารมณ์นั่นแหะตัวสมาธิอย่าไปอยากรู้อยากเห็นนั่นอะไรต่างามากมายให้ไม่จริงหรอก รู้ก็ไม่จริงอันรู้อันนี้เป็นของจริงคือมันรู้จิตรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้จิตแต่รู้แต่เห็นแต่กันผ้าสวรรค์แต่เห็นนิมานะนมิมานทองอะไรเรนแสงสว่างอะไรลง่งเรื่อแสงสว่างจ้าอยู่ตตามเถอะมันไม่สามารถที่จะทําทให้ใจของเราวาสุทิได้หรอกนะอันเห็นจิตแล้วนี่นั่น มันคิดดีคิดชั่วคิดหยาคิดละเอยดจนกระทั่งมันวางลงเห็นอยู่เสมอเสมแล้วมันจะวางลงไปมันจะรวมลงไปเป็นเอกราชตาลมันหมดใช่แล้วนะความคิดความนึกมันคิดนึกเลยนะมันเป็นเหตุให้วุ่นวายเป็นเหตุในกระตับกระสายเป็นเหตนเดือดร้อนมันเดือดร้อนก็คือมันกันรกกันเลยสิมันอยู่ตรงนั้นเลยนรก ถ้ามันเย็นนองไแล้วมันกนั่นแสวตรงนั้นแหละไม่ต้องหาที่อื่นใครมันพบแล้ว